1>, 1. สัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายทำาแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระทธทาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นปฐมมอุ ป, ปาทสูตรที่สี่จบ ทุติยาอุปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธรรมสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นทำแปดประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง8ด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 6. ปฐมมะบริสุทธสูตรว่าด้วยทมอันบริสุทธสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวถทีภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้บริสุทธผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้น ทำแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายทำแปประการนี้แลบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตราคตออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้น ปฐมมบริสุทธสูตรที่6จบ 7. ทุติยบริสุทธสูตรว่าด้วยธรรมอันบริสุทธสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีภิกษุทั้งหลาย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 ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกุตารามสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์กับท่านพระพัฒทะอยู่ที่กุกุตารามเขตเมืองปตาตลิบุตรครั้นในเวลาเย็นท่านพระพัฒทะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นังนาะที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอ น, นุนดังนี้ว่าท่านอา น, นุนที่เรียกกันว่าอพรหมจันทร์อพรหมจันร์อพรหมจันทร์เป็นอย่างไรท่านพระอ น, นุนตอบว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใยรู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าอพรหมจันทร์อพรหมจันทร์ อพรหมจรรย์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุมิชามักทางผิดมีองค์8นี้แหลเป็นอะพรหมจรรย์ได้แก่ 1. มิชาทิฐิและถึง 8. มิชาสมาธิปฐมมกุกุตารามสูตรที่8จบ เทุติยากุกุตารามสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกุตารามสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองปาตลีบุตรท่านพระพัฒทะได้เรียนถามท่านพระอานุนว่าท่านอานุนที่เรียกกันว่าพรหมจันทร์พรหมจันทร์พรหมจันทร์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจันทร์เป็นอย่างไรท่านพระอนุนตอบว่าดีละดีละ ท่านพัทธะปัญญาใยรู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าพรหมจันท ร, ร์พรหมจันท ร, ร์พรหมจันท ร, ร์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจันท ร, ร์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์แปดนี้แลเป็นพรหมจันทร์ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง สัมมาสมาธิทมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ทุติยะกุกุตารามสูที่9จบสิบ ตติยากุกุตารามสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกุตารามสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองปาตาลีบุตรท่านพระพัฒหะได้เรียนถามท่านพระอา น, นุนว่าท่านอา น, นุนที่เรียกกันว่าพรหมจันทร์พรหมจันทร์พรหมจรรันท ร, ร, ร์เป็นอย่างไรพรหมจารีเป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจันท ร, ร์เป็นอย่างไรท่านพระอ น, นุต์ตอบว่า ดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใยรู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นอย่างไรพรหมจารีเป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุอริยมรตมีองค์แปดนี้แลเป็นพรหมจรรย์ได้แก่ 1>, 1. สัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาสมาธิบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้เรียกว่าพรหมจารีธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์พระสูตรสมสูตรมีเหตุเกิดอย่างเดียวกันตติยะกุกุตารามสูตรที่10จบวิหารวักที่สองจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมวิหารสูตร 2. ทุติยวิหารสูตร 3. าเศกขะสูตร 4. ปฐมมอุ ป, ปาทสูตร หทุติยญอุปาทสูตร 6. ปฐมมปริสุทธสูตร 7. ทุติยญปริสุทธสูตรแปปฐมมกุกุตารามสูตร 9. ทุติยญกุกุตารามสูตร 10. ตติยญกุกุตารามสูตร มิจฉะตวคหมวดว่าด้วยมิจฉตธรรมหนึ่งมิจฉตสูตรว่าด้วยมิจฉตธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉตธรรมธรรมที่ผิดและสมมตธรรมธรรมที่ชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมิจฉะธรรมอะไรบ้างคือ 1>, 1. มิจฉาทิฏฐิและถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่ามิจฉาตะธรรมสมมะตะธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมมะตะธรรมมิจฉาตะสูตรที่หนึ่งจบ กุศลธรรมสูตรว่าด้วยอกุศลธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอกุศลธรรมและกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอกุศลธรรมอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่าอกุศลธรรม กุศลธรรมอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาส ม, มาธินี้เรียกว่ากุศลธรรมอากุศลธรรมสูตรที่สองจบส ปฐมปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมิจฉาปฏิปทาอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธิ นี้เรียกว่ามิชฌาปฏิปทาสามมาปฏิปทาอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสามมาปฏิปทาปฐมมปฏิปทาสูตรที่สามจบ ทุติยปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของเคราะห์หรือบรรปะชิตเคราะห์หรือบรรปะชิตผู้ปฏิบัติผิดย่อมทำญาติธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จไม่ได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิดมิจฉาปฏิปทาอะไรบ้างคือ 1>, 1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของครรหัตหรือบรรพชิตครหัตหรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติผิดย่อมทำยายธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จไม่ได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายแต่เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของครหัตหรือบรณฑชิต ครหัตหรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบย่อมทำยายัธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบสัมมาปฏิปทาอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาเราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของครหัตหรือบรรพชิตครหัตหรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบ ย่อมทำยญายธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบทุติยะปฏิปทาสูที่สจบ hmm? Hmm? 5. ปาธมมอาศบุริสูตรว่าด้วยอาศบุรุษ สที่เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสัตประรุษและสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัตปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิมีมิจฉาสังกัปะปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากรร ม, มันตะมีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาวายามะ มีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าอาสัตบุรุษสัตบรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่า สัตบุรุษพระธมม์อสซา ป, ปุริสสูตรที่หจบหทุติยะอสซา ป, ปุริสสูตรว่าด้วยสัตบุรุษสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาววัตถี ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาศะบุรุษและอาศะบุ ร, ะรุษที่ยิ่งกว่าอาศะบุรุษและจกแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอาศะบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิละถึงมีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าอาศะบุรุษ อาสัพรุษท er si ี่ย yep ิ่งกว่าอาสัพรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐ <|es|> ิละถึงมีมิจฉาสมาธิมีมิจฉาญาณรู้ผิดมีมิจฉาวิมุตตหลุดพ้นผิดบุคคลนี้เรียกว่าอาสัพบรุษที่ยิ่งกว่าอาสัพบรุษสัพรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึง มีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิละถึงมีสัมมาสมาธิมีสัมมาญาณรู้ชอบมีสัมมาวิมุตต์หลุดพ้นชอบบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษทุติยะ อสซุริสสูตรที่6จบเจ็ดกุมพสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ง่าย ที่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ยากแม้ฉันใดจิตก็ฉั้นนั้นเหมือนกันที่ไม่มีธรรมเครื่องรองรับกลับกลอกได้ง่ายที่มีธรรมเครื่องรองรับกลับกลอกได้ยากอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องรองรับจิตคืออริยมรรคมีองค์8ปดนิแลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เป็นธรรมเครื่องรองรับจิต หม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ยากแม้ชันใดจิตก็ชันนั้นเหมือนกันที่ไม่มีทาเครื่องรองรับกลับกลอกได้ง่ายที่มีทาเครื่องรองรับกลับกลอกได้ยากกุมพระสูตรที่เจ็ดจบ 8. สมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะบ้างที่มีบริขารบ้างแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะที่มีบริขารอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง สัมมาสมาธิสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์เจ็ประการนี้แวดล้อมเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะบ้างว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีบริขารบ้างสมาธิสูตรที่8จบ เวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาเรื่องเกิดขึ้นด้ยกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ 3. อทุก ข, ขมสุขเวทนาความรู้สึกที่มิใช่สุขมิใช่ทุก เวทนาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงเจริญอริย ม, ม 8, ร ร, ร, รมมคมีองค์8เพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนี้อริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือ1สัมาติฐิและถึง 8. ปดสำมาสมาธิภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนี้แล เวทนาสูตรที่เก้าจบ 10. อุตยสูตรว่าด้วยพระอุตยะเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลท่านพระอุตยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับ นั่งนาที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวาโรกาสข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงขึ้นมาว่ากามคุณห้าประการพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วกามคุณห้าประการอะไรบ้างที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดีละดีละ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 โพธะะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดกามคุณหประการนี้เราได้กล่าวไว้แล้วอุตยะบุคคลพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อละกามคุณหประการนี้อริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิ อุตยะบุคคลพึงเจริญอริยมรกมีองค์8เพื่อละกามาคุณหประการนี้อุตยะสูตรที่10จบมิจฉะตวักที่สจบ รวมพระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. มิจฉตสูตร 2. อกุศลธรรมสูตร 3. ปฐมมปฏิปทาสูตร 4. ทุติยาปฏิปทาสูตร 5. ปฐมอาสปุริสสูตร 6. ทุติยาอาสปุริสสูตรเจกุมพสูตร 8. สมาธิสูตร 9. เวทนาสูตร 10. อุติยสูตร 4. ปฏิปฏิวักหมวดว่าด้วยการปฏิบัติ 1. ปฐมมะปฏิปฏิสูตรว่าด้วยการปฏิบัติสูตรที่หนึ่ง เรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิบัติการปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิบัติการปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมิจฉาปฏิบัติอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่ามิจฉาปฏิบัติ สัมมาปฏิบัติอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาส ม, มาธินี้เรียกว่าสัมมาปฏิบัติปฐมปฏิปฏิสูตรที่หนึ่งจบ ทุติยปฏิปฏิสูตรว่าด้วยการปฏิบัติสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาววัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลผู้ปฏิบัติผิดและบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังบุคคลผู้ปฏิบัติผิดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิละถึง มีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติผิดบุคคลผู้ปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึงมีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติชอบทุติยปฏิปฏิสูตรที่สองจบ สามวิรัตสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายอริยมักมีองค์8อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมักมีองค์8ดที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วอริยมักมีองค์8ดอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งประรอบแล้ว อริยมรรคมีองค์8ที่ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารบแล้วอริยมรรคมีองค์8ดอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8ดอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคมีองค์8ดที่ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้ว อริยมรรคมีองค์แปดอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วอริยมรรคมีองค์แปดที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารบแล้ววิรัตสูตรที่สจบ ปารังคมะสูตรว่าด้วยธรรมที่ให้ถึงฝั่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ทำแปดประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิ ทำแป่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาได้ตรัสเวยากรณภพาสิณนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าในหมู่มนุษย์เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนชนเหล่าใดประพฤตตามธรรม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 ปฐมมะสมั ญ, ญสูตรว่าด้วยความเป็นสมณะสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสมัญะญความเป็นสมณนะและสมัญญพลผลแห่งความเป็นสมณนะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสมัญญะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ และถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสามัญญะสามัญญผลเป็นอย่างไรคือโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลเหล่านี้เรียกว่าสามัญญผลปฐมมะสามัญญสูตรที่ห้าจบ ติยสามัญญสูตรว่าด้วยความเป็นสมณะสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสามัญญะและประโยชน์แห่งสามัญญะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสามัญญะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิ นี้เรียกว่าสามัญญะประโยชน์แห่งสามัญญะเป็นอย่างไรคือทรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งสามัญญะทุติย ส, ญญสัมญญสูตรที่หจบ เปฐ ม, มมะพรหมัญญสูตรว่าด้วยความเป็นพรหมสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพรหมมัญญะความเป็นพรหมและพรหมมัญญผลผลแห่งความเป็นพรหมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพรหมมัญญะเป็นอย่างไรคืออริยมรรมีองค์ดนี้แลได้แก่ 1>, 1. สัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าพรหมัญญะพรหมัญญผลเป็นอย่างไรคือโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลเหล่านี้เรียกว่าพรหมัญญผลปฐมมะพรหมัญญสูตรที่เจ็จบ ติมมยะพรหมัญญสูตรว่าด้วยความเป็นพรหมสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพรหมมัญญะและประโยชนแห่งพรหมมัญญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพรหมมัญญเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาส ม, มาธิ นี้เรียกว่าพรห ม, มัญญะประโยชน์แห่งพรห ม, มัญญะเป็นอย่างไรคือทรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งพรห ม, มัญญะทุติยพรห ม, มัญญสูตรที่8จบ เปฐมมะพรหมจริยสูตรว่าด้วยพรหมจรรย์สูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพรหมจรรย์และผลแห่งพรหมจรรย์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิ นี้เรียกว่าพรหมจรรย์ผลแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลเหล่านี้เรียกว่าผลแห่งพรหมจรรย์ปฐมพรหมจริยสูตรที่9จบ ทุติยะพรหมจริยสูตรว่าด้วยพรหมจรยรย์สูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นทกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพรหมจรรย์และประโยชน์แห่งพรหมจรรย์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาส ม, มาธิ นี้เรียกว่าพรหมจรรย์ประโยชน์แห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือทาเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งพรหมจรรย์ทุติยะพรหมจริยสูตรที่ส0บจบปฏิปฏิวัคที่สี่จบ รวมพระสูตรที่มีในวรคนี้คือ 1. นึ่งปฐมปฏิปติสูตร 2. ทุติยาปฏิปติสูตร 3. วิรัตสูตรสีปารังคมะสูตร 5. ้าปฐมมสามัญญสูตร 6. ทุติยาสามัญญสูตร 7. ปฐมพร ม, มัญญสูตร 8. ทุติยาพร ม, มัญญสูตร 9. ปฐมพรห ม, มจริยสูตรสิบทุติยพรห ม, มจริยสูตรห้าอัญญติทิยเบยาลวักหมวดว่าด้วยอัญญติทิยเบยาน 1. ราคะวิราคะสูตรว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะดิรธีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไร เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญาเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อสำรกราคะอันหนึ่งถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมรคมีปฏิปทาเพื่อสำรกราคะอยู่หรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอัญญาเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีมัคมีปฏิปทาเพื่อสําโรคราคะอยู่มัคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อสําโรคราคะเป็นอย่างไรคืออารีย์มัคมีองค์แปดนี้แหลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้คือมัคนี้คือปฏิปทาเพื่อสําโรคราคะ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญเดรธีปริภาชคเหล่านั้นอย่างนี้ราคะวิราคสูตรที่หนึ่งจบ